ทุกวันในช่วงนี้เป็นวันอบรมและเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราโดยเฉพาะพระนิสิตนักศึกษาถ้าหากว่าพอมีเวลาผมก็จะพยายามให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการอบรมในการพูดเพื่อทำความเข้าใจตามที่ผมได้ศึกษามา แล้วก็ได้ปฏิบัติมาในแง่มุมแง่ความคิดต่างๆที่ได้ประสบการมาด้วยตนเองแล้วก็ได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ศึกษาจากตำรับตำราสรุปแล้วก็คือประยุกต์ที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราทั้งหลายเห็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมที่สุด คือไม่อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนหลงผิดหลงทางแต่ตามที่จริงการแนะนําของผมผมก็มั่นใจในการแนะนําที่จะให้หมู่พวกเพื่อนได้รับความรู้ความฉลาดความราอบคอบในหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกท่านว่าไม่มีพิษภัยไหนที่จะอันตรายยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิอันนี้พวกเรามาพิจารณาดู คำว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากคือถ้าหากว่าว่าสัมมาทิฏฐิคือว่าความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องถ้าว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นกลับกันเห็นดำว่าเป็นขาวเห็นขาวว่าเป็นดำเห็นว่าตายแล้วสูงบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มี อันนี้แปลว่ามิจรสาธิติที่เรามองเห็นได้ถ้าว่ามิตรสาธิติแล้วแปลว่าท่านผู้นั้นเดินไปในทางที่ไม่คิดว่าในโลกหรือว่าการกระทำหรือว่าความคิดการพูดของตนเองจะทาให้ถูกต้องมีแต่หมุนไปในทางที่ว่าอันไหนจะได้เปรียบอันไหนจะมีความสุขสำหรับตนเองอาหารว่าพอมีที่รับหูลับตาคนมองไม่เห็นใครไม่รู้ ก็จะทําความชั่วจริงนั้นได้พราะคิดว่าบาปกรรมไม่มีสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนเห็นว่านรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีอันนี้เป็นว่ามิตรสาธิฐิในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าผู้ที่เป็นมิตรสาธิติไปตกนรกก็คือตกโลกันตะเป็นนรกที่มืดแปดทิศ8ด้านแปดแบลวํามไม่มีที่ไม่มีแสงสว่าง ที่จะเข้าสองเข้าไปถึงเลยถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูแล้วผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างดังที่กล่าวมาก็เป็นคนที่ไม่ยอมรับเหตุและผลเรื่องราวที่ได้ยินมาอย่างไรก็ตามเขาจะฝังลึกในความรู้สึกของเขานั้นๆเพราะนั้นถ้าจะว่าไปและเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมิจฉาทิฏฐิอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้จริงๆท่านบอกว่าไม่มีพิษภัยไหน ที่น่ากลวยิ่งไปกว่าความเห็นผิดคือมิตรสาธิฐิให้พวกเราท่านทั้งหลายไตรตรองดูให้ดีกันแล้วกันเพราะนั้นคาว่ามิตรสาธิติความไม่คือความเห็นผิดเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงสำหรับพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามเมื่อเราได้ยินได้ฟังมาแล้วพวกเราจะต้องไตรตรองด้วยเหตุและผลนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัด มาเป็นเครื่องกำกับหรือว่ามาเป็นเครื่องตรวจตาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสวาราตธรรมเป็นหลักเหตุผลตรัสไว้ชอบแล้วเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นทอดทอดเพราะนั้นพวกเราจะเห็นสิ่งใดก็ตามที่แปลกปลอมขึ้นมาเราจะเชื่อสิ่งใดก็ตามเราต้องนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นเครื่องชี้นำเป็นเครื่องชี้แนะเป็นเครื่องวัดพวกเราจึงจะเป็นสัมมาทิฐิขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัดแล้วโดยมากจะเป็นมิจฉาทิฐิไปอย่างสุดโตที่เขาแนะนำสิ่งใดเชื่อสิ่งใดเราก็จะต้องเดินตามเขาหรือว่าเดิน ตามแนวความคิดเขาชี้แนะชี้นํานั้นๆยิ่งผู้ชี้แนะชี้นํานั้นเป็นผู้มีวาทะดีแต่ถึงเขาไม่มีเหตุผลแต่เขาเป็นผู้มีวาทะดีก็ทําให้คนที่ขาดเหตุผลหลงไหลคลั่งไครกับคําพูดของเขานั้นได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าผู้มีเหตุผลผู้ได้รับการศึกษารับการศึกษาดีแล้วจะต้องนํา คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนมาแล้ว น, านํามาไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่งเปรียบเทียบเพราะนัน้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาศึกษาทำมรรคภาคปฏิบัติให้มีเหตุผลในการที่จะนับถือหรือเชื่อสิ่งใดก็าตามเพราะนั้นอย่างที่พวกโลกทั้งหลายเขาเชื่อในด้านวัตถุวัตถุดีอย่างนั้นวัตถุดีอย่างนี้เหล็กไหลอย่างนั้นไถพญานาคอย่างนี้น ที่เห อ, อกันแต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในโลกมันไม่ใช่ของวิเศษพิศวงอะไรใช่ถ้าเป็นอย่างพระพุทธปฏิมาอันนี้จะเป็นสิ่งที่เคารพสักการะคือเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นรูปเหมือนของพระแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เราไม่กราบไม่ได้กราบเหล็กหินปูนทรายเราไม่ได้กราบวัตถุภายนอกเรากราบพระพุทธโลกคือเรากราบคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรอันนี้เราสมมติขึ้นมาว่านี้โูคเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีรูปลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรที่เราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นโลกวิถทูรู้แจ้งโลกตรัสพระธรรมคําสั่งสอนออกมาถึง8ป0 0 0พันพระธรร ม, มขันในพระไตรปิฎก ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลทั้งนั้นพราะนั้นพระธรรมคาสั่งสอนน่ก็คือเป็นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือน้ำธรรมส่วนหนึ่งคือเป็นคำพูดถ้าว่าเราไม่ได้เอามาขีดเขียนเป็นายรักษณ์อักษรคำพูดนั้นก็ไปกับลมเหมือนกันแต่นี้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าเราเห็นว่า คน โ, โบราณเขาค ง, งจะคิดว่าควรจะมีรูปขึ้นมาเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าปุริสารคเนตที่พระไตรไปิฎกตัดไว้อย่างไรท่านก็ได้หล่อล้อมเป็นองค์พระพุทธปฏิมาขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไรีไหว้การกราบไหว้เราจะไปกราบเหล็กหินปูนทรายอย่างเดียวอันนั้นเราก็ถือว่ากราบแบบโง่งๆกราบเหล็กหินปูนทราย กราบทองเหลืองแต่ถ้าว่าเรากล่าบพระคุณของพระพุทธเจ้าพอกราบพระเราก็ลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีแนะนําเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแนะนําเราได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงรู้คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณของประเทศชาติคุณของศีลธรรมจริยธรรมที่นํามา ให้โลกอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอนุภาพทั้งว่าด้วยพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงได้รับความสงบร่มเย็นเป็นจุขทางจิตใจไม่เถือดร้อนวุ่นวายในตัวของเราเองและผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้เมื่อเรากล่าวพระพุทธลูกเราพกระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมกันเราก็ระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยที่ท่านได้รับพระธรรมคําสั่งสอน จากนั้นท่านก็เผยแผ่ถ่ายทอดกันมาโดยลําดับลําดับอันนี้คือธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าผูใ้ใดผูตามกราบพระก็คือกราบพระธรรมคําสั่งสอนที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายกราบกระดูกพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าใครไปกราบกระดูกแห็งของพ่อแม่หรือไปกราบธาตุของพ่อแม่หรือไปกราบางาบงช่วยของพ่อแม่ ถ้าว่ากาบไม่ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เมื่อก้ากาบประดุกแห่งเฉยเฉไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเรากาบพระคุณของพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราที่ได้เลี้ยงดูเรามาไม่มีใครที่จะมีพระคุณยิ่งกว่าบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูเรามาแล้วก็กราบด้วยความสนิทใจว่านี่คือพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดก้าไปเจ้าขอกราบ พระคุณของบิดามารดากราบพระคุณของพ่อและแม่ที่ได้เลี้ยงดูเราทางว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูความหน้าแค่แต่สมัยเป็นเด็กๆ เ, เกิดมาใหม่เราก็คงจะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนี้คงจะไม่มีความได้รู้เรื่องภาระได้สั่งสมบุญกุศลได้เรียนได้ศึกษาถึงขนาดนี้แต่นี้พ่อแม่เป็นผู้ให้โอกาสเราเลี้ยงดูเรามาเพราะนั้นข้าพเจ้าขอกราบคุณบิดามารดา อันนี้ถางว่าพ่อแม่ลวงรับดับขันไปแล้วไปกราบกระดูกของท่านก็ระลึกถึงพระคุณของท่านแต่ถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่เราจะช่วยเหลือเจือจานท่านได้ท่านต้องการอะไรจากเราแต่โดยมากพ่อแม่จะไม่ค่อยต้องการอะไรจากเรานอกจากต้องการให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาพอสมควร ส่วนทางด้านวัตถุนั้นก็ท่านคงไม่มุ่งหวังจากเราเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่ท่านเจ็บไข้ไท่ปุย่ยท่านเอาตัวของท่านไม่รอดอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่เพราะว่าท่านเอาตัวไม่รอดแล้วท่านมีความจำเป็นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าพ่อแม่ไม่มีอุปสรรคอะไรท่านก็ยังพอที่จะเลี้ยงดูตัวของท่านได้อยู่ คงไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะมาลูกควรลูกๆให้ขุนเคืองเดือดร้อนเพราะความรักของพ่อแม่เนีย่ยท่วมท้นหัวใจไม่อยากจะให้ลูกเสีย อ, อกเสียใจกับคําพูดของท่านนี่ก็คือความรักเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นลูกควรจะสํานึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้เป็นพรมเป็นพรมของบท พรหมวิหารสี่คือท่านมีเมตตาเป็นพื้นฐานกับลูกเมตตากรุณามุทิตาโดยมากพ่อแม่จะใช้เมตตากรุณามุทิตาเมตตาคือความรักความสงสารลูกของตอนเองเมตตากรุณาคือความอยากจะช่วยให้ลูกมีความสุขจริงๆขึ้นไปเท่าที่จะสุขได้เมตตากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยให้ลูก มีความสุขโมทิตาคือความพลอยยินดีพลอยยินดีเมื่อลูกตัวเองได้ดีเมื่อลูกตัวเองได้ดีก็ยินดีด้วยอย่างมากออกหน้าออกตาว่าลูกของข้าประสบความสําเร็จในการศึกษาในการธรรมมาข้าขายในเรื่องการเป็นอยู่ทุกอย่างที่โลกทั้งหลายเขายกย่องนับถือเชิดชวูว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าวันลูกของเราประสบความสําเร็จอย่างนั้น พ่อแม่ก็ดี อ, อกดีใจแสดงความยินดีออกหน้าออกตานี่แหละคือพ่อแม่เนี่ยโดยมากท่านจะให้ความเมตตากรุณามุทิตากับลูกอย่างสุดๆตระงั้นแต่ส่วนอุปเบกขาเนี่ยวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อลูกถึงคราววิบัติอันให้พ่อแม่ทําไม่ได้ทําใจไม่ได้ผมว่ายอย่างนั้นนะทําใจไม่ได้จุดนี้อต้อง เสียอกเสใจอยากมากเพราะความรักของพ่อแม่แต่ว่าถึงยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนถ้าผู้มีคุณธรรมในจิตในใจจริงๆในจิตในใจที่ได้ฝึกมาดีแล้วเกี่ยวกับจิตภาวนาพ่อแม่ท่านนั้นเขาคงจะทำใจได้เยาวาอุเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อลูกตัวเองถึงค่าววิบัติอันนั้นต้องมีคุณธรรมอย่างสูงส่งจริงๆ จ, งๆจึงจะคิดอย่างนั้นได้ ถ้าว่าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วผมว่าที่จะปล่อยวางกับลูกที่โอเปกขหากับลูกนี้ผมว่าคงไม่มีเพราะวาความรักลูกนี้ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกก็ควรจะสํานึกสําเนียกในใจไมาอยู่เสมอว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่เรากลาบไหวสักระบูชาถึงพ่อแม่ท่านจะล่วงลับดับขันตายไปแล้ว เราไปกราบกระดูกของท่านก็คือกราบพระคุณของท่านและก็พร้อมกันเมื่อมีโอกาสในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเราไม่มีสิ่งไหนที่จะทดแทนพระคุณของท่านได้ท่านก็ให้ทําบุญอุทิศ ส, สวนกุศลไปให้ในเมื่อมีโอกาสเราก็ทําบุญทําสังฆทานบ้างทําอุทิศสวนกุศลบ้างทําสาธารณประโยชน์อย่างสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน ทำประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเมื่อทําเสร็จแล้วเรามอบไปแก่ชุมชนและสังคมในใจก็เออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมในครั้งนี้บุญกุศลเกิดจากการทําคุณงามความดีในครั้งนี้ที่เป็นนมามธรรมก็ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อแม่ของข้าพเจ้าได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปอันนี้ก็คือเมื่อ ท่านลวงรับไปแล้วพวกเราพวกเราที่เป็นลูกก็ควรจะทําบุญบุญทิดสวนกุศลอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกกล่าวได้ตรัสเอาไว้สําหรับพวกเราพุทธบริษัทนี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งเอารพสักการะที่ผมพูดให้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เคารบสักการะที่เรากราบพระเราไม่ไกราบทองเหลืองเราไม่ได้กราบอย่างอื่นเรากราบพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตัดจรูดทับได้นําพระธรรมมาเผยแผ่ให้พวกเราได้รู้ได้ศึกษาพวกเรายอมรับในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นอย่างสุดซึ้งแล้วกระจายตองเหตุและผลตามที่เราได้ศึกษาก็เห็นว่าทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกระทัมนําผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่ความสุขความจเจริญได้เนี่ยเพราะนั้นเราจึงได้กราบ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในจิตในใจอย่างสุดซึ้งไม่ใช่กราบด้วยมิตรสาธิติมิตรสาธิติคือความเห็นผิดที่ผมได้กล่าวเบื้องตน้นไม่มีพิษภัยไหนที่จะร้ายแรงยิ่งกว่าความเห็นผิดอันนี้ที่เราทําอย่างนี้ตามหลักแล้วระหว่าเห็นถูกสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการเป็นอยู่หรือว่าการวางตัวสําหรับพวกเราแต่สําหรับพวกเราที่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกที่จะต้องตัดกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นอันนั้นเป็นก้าวเข้าไปอีกในระดับหนึ่งก้าวเข้าไปในสูสมาธิคือทําจิตให้นิ่งทําจิตให้สงบในเมื่อจิตสงบดีแล้วจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานหรือจิตเข้าสู่ความสงบพอสมควรจากนั้นนําจิตที่สงบนั้นมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุสี่ก็ได้ธาตุสี่คืออะไร ดินน้ำลมไฟทำไมยังดินน้ำลมไฟจึงมาให้พิจารณาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกเอาไว้ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีธาตุสี่เป็นพื้นฐานคือตัวใหญ่คือมีอยู่สี่ธาตุคือของแข็งที่อยู่ในร่างกายของเราอย่างผมขนเล็บฟันกระดูกทุกส่วนของร่างกายอันนี้เป็นว่าธาตุดินหรือจะพวกหนังเนื้อเข้าไปอีกก็ยังได้เน เพรามันมันจัดก็เป็นธาตุดินธาต้น้ําน้ําตาน้ำโม่น้ําปัสสาวะน้ําเลือดน้ําไขมันอยู่ในร่างกายอันไหนเป็นของเหลวในร่างกายอันนั้นท่านจัดว่าเป็นธาต้น้ําก็อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยส่วนธาตุไฟเวลาเราหายใจออกมามันมอุ่นหรือหน้าหนาวอย่างนี้มันอบอุ่นในร่างกายอันนั้นแปลว่าธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเรามี มันมีอยู่ในธาตุในร่างกายของเราระหว่าดินน้ำไฟลมส่วนลมนั่นคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในช่องท้องลมในร่างกายของเราที่อยู่ในอวัยวะข้างในออมันมีลมในลำไส้ลมหายใจเข้าออกปอดเป็นที่สูบหายใจเข้าออกเนี่ยอันนี้แปลว่าให้พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ย มันไม่มีอย่างอื่นมันมีดินน้ำลมไฟอาศัยกันอยู่ทั้งสี่อย่างนีคือประกบกันอยู่อยู่เป็นก้อนอยู่ด้วยกันแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแตกกระจายออกไปเรียกว่าแตกสมรคีกันในธาตุสี่แตกสมรคีกันน้าหมดเลือดหมดร่างกายก็อยู่ไม่ได้กระดูกหักกระดูกแตกกระโหลกล้าวร่างกายก็อยู่ไม่ได้พอดินมันมันแตกสมรคีส่วนลมลมหมด อันนั้นแน่นอนอยู่แล้วถ้าลงลมหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่มันตายด้วยกันทั้งนั้นส่วนธาตุไฟก็คือความอบอุ่นของร่างกายถ้าว่าคนตายเข้ามาร่างกายก็เย็นเย็นเย็นเย็นก็ไปเรื่อยๆผลที่สุดก็หมดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาร่างกายของมนุษย์ชาติไม่ว่าชาติชั้นบรรณะไหนหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ด้วนแล้วจะมีธาตุสีอยู่ในร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่น อันนี้ไทยพิจารณาเป็นาธาตุธาตุสี่รวมกันประชุมกันอยูเออ่เหมือนกับสิ่งอะไรสอย่างเรียกว่าเสาสต้นนะครับอยู่ในในร่างกายนะออต้นใดต้นหนึ่งแยกออกไปไม่ได้แปลว่าผิดปกติร่างกายนะั่นอยู่ไม่ได้อันนี้คือพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นาธาตุสี่อันนี้ก็คื อ, คอให้ใจของเรากําหนดดูพิจารณาดูาธาตุสีดินน้ําลมไฟ จากนั้นเราจะพิจารณาเป็นอสุภะกำหนดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงฝ่าเท้าร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือหนังหุ้มร่างกายอยู่แต่ข้างในนั้นมีเลือดมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีลำไส้มีตับมีปอดมีไตอย่างเนี้อยู่ข้างในจริงไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่จริง ร่างกายของคนเรามันเป็นอยู่อย่างนี้คือธาตุขันธ์ร่างกายที่เรามีอันนีกก้การพิจารณาร่างกายการพิจารณาร่างกายเมื่อพิจารณาแล้วก็ต้องถามนมามธรรมคือใจอีกว่าร่างกายสังขารในร่างกายตัวนี้เป็นอสุภะใช่ไหมข้างในมีอุจฉะมีปัจจวะใช่ไหมมีเนื้อมีเลือดมีเนื้อเอามีเลือดใช่ไหมคือถามตัวใจคือผู้รู้คือนมามธรรม คือเราใช้น้ำมา ร, รมคือใจเนี่ยไปพิจารณาให้เป็นอสุภะกีก็ไม่นานร่างกายนี้จะต้องแตกสลายลงสู่แผ่นดินถ้าว่าใครไม่เอาไปเผาก็ต้องแตกลงแผ่นดินเน่าผุพังลงไปสู่แผ่นดินผุพองลงไปสู่แผ่นดินผลสุดเน่าเปื่อยเละลงไปสู่แผ่นดิ น, นถ้าอยู่บนสาราเนี่ยคือเน่าเละบลบนศาลาถ้าใครตายแล้วไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่มีใคร ฝังไข่เผ่าถ้าลงไปในแผ่นดินเลจะต้องเละในแผ่นดินตรงไหนตายตรงไหนก็เป็นอย่างนั้น mm hmm. จากนั้นก็กระดูกก็เกลื่อนขาวโพลนผลด้วยช่วคราหลายปีต่อไปภายฝาคหนากระดูกก็กลายเป็นดินไปอีกทบทับถมลงแผ่นดินไปอีกอันนี้ก็คือชีวิตของมนุษย์ให้พิจารณาเป็นอสุภะอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้จะพิจารณาธาตุสีก็ได้ พิจารณาเป็นอสุภะก็ได้หรือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือเอาสติกำหนดกระดูกก็ได้เ่ยตั้งแต่กระโหลกศีรษะไล่ลงไปเรื่อยเรื่อยจนถึงกระดูกฝ่าเท้าดูช้าๆกำหนดดูให้ละเอียดให้เห็นตามความเป็นจริงมนุษย์ของเรามีโครงกระดูกเป็นเป็นโครงเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ร่างกายมีโครงสร้างของส ร, รพสัตทั้งหลาย โครงสร้างของช้างโครงสร้างของสัตว์ต่างๆแปลกแตกต่างกันแต่โครงสร้างของมนุษย์ก็แปลกแตกต่างกว่าสัตว์เนี่ยถ้ให้พิจารณาโครงกระดูกตั้งแต่หัวจุดเท้าอันนี้ก็ได้หรือเราจะเดินจงกลมเราไม่มีเนื้อหนังหุ้มไม่มีหนังหุ้มเวลาเราเดินให้กำหนดโครงร่างของกระดูกเดิน เวลาเราเดินกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้เห็นแต่โครงกระดูกเดินมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าว่าเนื้อหนังเอ็นออกหมดแล้วมันมีแต่กระดูกเดิน่ะสมมุติว่าให้กระดูกเดินมันก็มีกระดูกจริงๆอยู่ในนั้นที่เราเดินอยู่เพราะฉนั้นเราไปที่ไหนเราเอากระดูกไปด้วยยืนเดินนั่งนอนใจของเราเฝ้ากระดูกอยู่ตลอดกระดูกตัวเองเพราะนั้นร่างกายของมนุษย์เป็นโครงกระดูกเป็นโครงสร้าง เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเราพิจารณาธาตุสี่พิจารณาอสุภะพิจารณาโครงกระดูกอย่างไนีน้เมื่อเราพิจารณาสิ่งเรานัดแล้วเราก็ให้ย้อนมาพิจารณาดูใครเป็นคนรู้ว่าธาตุสี่ใครไปพิจารณาว่าอสุภะในร่างกายใครไปพิจารณาว่า กระดูใครเป็นคนเห็นกระดูกจากนั้นกอนย้อนความรู้สึกมาหาตัวผู้รู้สึกย้อนความผู้มาหาความรู้แต่ก่อนนั้นเราเรารู้ภายนอกเรารู้กระดูกรู้อสุภาะรู้ธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่ส่งออกไปดูธาตุสี่ไล่เลียงธาตุสี่ไล่เลียงอสุภาษะไล่เลียงกระดูกใครเป็นคนรู้ว่ากระดูกใครเป็นคนรู้ว่าอสุภาะใครเป็นคณรู้ว่าธาตุสี่ ก็คือใจของเรานเองไปรู้ในสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเราไปรู้สิ่งเหล่านั้นเราก็ย้อนจิตเข้ามาหาตัวผู้รู้ทีนี่ตัวนี้ไปหลงเขาใช่ไหมไปให้ความสําคัญเขาใช่ไหมไปให้ความสําคัญว่าอันนั้นรักอันนี้ชอบอันนี้สวยอันนี้งามที่เราไปเห็นสิ่งภายนอกใช่ไหมเราไปให้ความสําคัญอันนั้นเกลียดอันนี้กลัวอันนี้สิ่งไม่สวยไม่งามใช่ไหม <Ganz> <misschien> <alah> ผลที่สุดถ้าว่าเราพิจารณาดูแล้ว เมื่อเราเห็นแล้วสิ่งที่เป็นสุภากวดีเป็นอสุภากวดีเป็นธาตุสีกดีเป็นกระดูกก็ดีมีแต่ใจของเราไปให้ความหมายไปให้ความสำคัญแต่ร่างกายของเราเนี่ยกระดูกอสุภาอะไรก็ตามมันก็เป็นสภาพอยู่อย่างนั้นใจของเราตัวผู้รู้เนี่ยนามธรรมตัวนี้ไปให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นมันจึงสำคัญและไม่สาคัญ คือสิ่งที่สำคัญก็คือไปสมมติให้มันสวยมันงามมันน่ารักใครชอบใจไปปรุงแต่งขึ้นมาพอใจไปปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้กิเลสในใจขึ้นมาก็เกิดราคะความชอบใจความกำหนัดยินดีขึ้นมาถ้าว่าไปเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องก็เกิดโทสะขึ้นมาอีกความโมโหโทโสฉุนเฉียวขึ้นมาอีกก็ออกมาจากใจสรุปแ้วก็คือออกมาจากตัวโมหะคือความหลง เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่การภาวนาหรือการพิจารณาเนะี่ยอย่าไปหนีจากตัวหลักใจตัวหลักจิตตัวหลักจิตตัวหลักใ จ, ห ล, กใจหลักผู้รู้หรือนา ม, มธรรมเนะี่ยถ้าจะว่าไปก็คือตัวเดียวกันจิตก็ดีผู้รู้ก็ดีวิญญาณก็ดีนา ม, มธรรมก็ดีก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราให้ดูเมื่อพิจารณาร่างกายและให้ดูย้อนดูตัวนามธรรม นามธรรมาคือตัวผู้รู้ๆอย่างนี้นมันไปหลงสิ่เหล่านั้นสุภาก็ดีอสุภาษก็ดีใจหลงนี้เองใจผู้รู้น่เองไปให้ความสำคัญพอที่สุดมันออกไปจากใจทั้งหมดทั้งสองเงือนพอนั้นให้พิจารณาย้อนเข้ามาหาตัวใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจถ้ามันจะรู้ก็รู้ที่ใจมันจะปล่อยวางก็ปล่อยวางที่ใจถ้าจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่ใจใจนี่แหละเศ้าหมองใจนี่แลผ่องใสใจนี่แหละจะหลุดพ้นจาก กิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเข้าไปแล้วเรื่องพิจารณาให้มากทบทวนดูทุกรอบ ท, ท, ทุกด้านที่เราได้ศึกษาหรือพิจารณาอันไหนก็ตามผลที่สุดเรากคล้า ย, ยๆกับว่าจิตของเราตาของเราไปเห็นรูปเราก็พิจารณารูปรูปไม่ใช่ตัวตนของเราไปได้ยินเสียงเสียงไม่ใช่ตัวตนของเราคล้ายๆมันตัดข้างนอกซะก่อน คอ้ายวัดตัดกิง่งตัดก้านสาขาตัดรากฝอยรอบด้านนั่นซะก่อนพอในสุดมันก็เข้ามาสู่ใจคือตัวผู้รู้เท่เนี่คือเข้ามาหาลากแก้วในเมื่อเข้ามาหาราาแก้วแล้วเท่ยนั้น่ะเราจะจัดการยังไงกับตัวกิเลส ท, ที่มันอยู่ในลากแก้วนะ่ะถอนหรือตัดรากแก้วเลยอันนี้ก็เหมือนกันให้ใจของเราผู้รู้ของเราใช้ปัญญาพิจารณาถึงตัวผู้รู้รู้ตรงเนี้ยมันรู้ผิดรู้ถูก หลงในสิ่งที่กิเลสเข้ามาปรุงแต่งไปทําให้เศร้าหมองแล้วก็ให้ผ่องใสแล้วทำยังไงมันออกไปจากใจรูปของเราทั้งสองเงื่อนจากนั้นเมื่อพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปท า, านคือความยึดมั่นถือมั่นออกจา ก, ก จ, จิตใจใจของเรากจอบริสุทธิทธ์ตุดพ้นเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมาาธรรมาตุ าธาดที่เป็นธรรมไม่ยึดมัน่นถือมั่นกิเลสราคะโทสะโมหะตดออกจากจิตใจเพราะความรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะยึดไปทําไมเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วธาตุขานร่างกายอันนี้ใจอันนี้ก็เหมือนกันที่ไปหลงเขาครับไปหลงเพื่ออะไรผลที่สุดก็รู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านการประพฤติธปฏิบัติธรรม มีที่สิ้นสุดปล่อยลงที่ใจไม่เป็นที่อื่นพระหันอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจแต่เมื่อเราปล่อยแล้วก็อยู่รุปพดอยู่ที่ใจเหมือนกับความโง่ความฉลาดนั่นแห่ความโง่ก็อยู่ที่ใจความฉลาดก็อยู่ที่ใจเมื่อความโง่ขึ้นปิดบังแล้วความฉลาดก็หายไปในเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อหลับเหตุผลมีแล้วมีปัจจารูร้แจ้งเห็นจริงแล้วนั่นล่ะกิเลสก็ตกหายไปจากความรู้ของเรา เราก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่กทานเบื้องต้นผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดเป็นมลทินอย่างร้ายแรงสําหรับมนุษย์ชาติพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะทํำยังไงจึงไม่เป็นมิจฉาทิฐิที่จะจัดว่าเป็นสมาธิิได้ด้วยอย่างไรอันนี้ก็ต้องด้วยการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกระดับถ้าการเป็นอยู่เปรียบเทียบเรื่องศีลห้าถ้าการทำอย่างนี้ผิดศีลห้าไหมผิดศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ยึดอะไรให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมหรือให้ยึดวัตถุสิ่งของถึงเราจะยึดวัตถุสิ่งของยึดพระพุทธรูปก็จริงอยู่แต่เราไม่ได้ยึดพระเรายึดพระคุณของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้า เป็นผู้มีพระคุณต่อโลกเรายึดพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเวลาเรากราบพระเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจา้าถ้าเรากราบพ่อกราบแม่กราบกระดูกพ่อแม่ของเราเราก็ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ของเราที่ได้เลี้ยงดูเรามาอันนี้ก็คือพวกเราให้นํำทำคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าบอกพวกเราแนะนําพวกเราผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นให้พวกเราคิดดูก็แล้วกัน ทบทวนดูกนแล้วกันให้นําพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบเป็นฉบับมาเป็นเครื่องพาดำเนินหรือเป็นบรรทัดฐานเป็นแบบฉบับที่พวกเราจะก้าวเดินสู่มรรคผลผนิพพานจากนั้นเราก็เด็ดพิจารณาอย่างที่ผมได้กล่าวก่อนที่จะเดินปัญญาต้องสมาธิมาก่อนจิตใจของเราต้องแน่วแน่จากนั้นก็พิจารณาทางวิปัสสนาเราจะพิจารณาอะไร อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือพิจารณาจะพิจารณาธาตุสีก็ได้ดินน้ำลมไฟอยู่ที่ร่างกายของเราจากนั้นพิจารณาอาสุภะมีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายจากนั้นพิจารณาถึงจะยกประเด็นหลักคือพิจารณาโครงกระดูกก็ได้เพราะร่างกายของเรามีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงธาตุสี่อสุภะพิจารณาโครงกระดูกแล้ว ใครเป็นผู้พิจารณาพิจารณาไปเพื่ออะไรทำไมใครเป็นผู้ไปพิจารณานี่หละให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจบิญยาณ น, นามธรรมตัวนี้ตัวผู้รู้นามธรรมวิญญาณเนนะี่ยแต่อันเดียวกันแปลว่าสิ่งที่รู้รู้อยู่ในตัวของเราเนี่แหละเรียกว่านามธรรมไปพิจารณาหล่านั้นตัวนี้แหละเป็นผู้ลง เป็นผู้ไปให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเราพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงหลายครั้งต่อหลายหนจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางลงที่ใจปล่อยที่ใจวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจใจนี่แหละจะเป็ น, นธรรมทานขึ้นมาไม่ใช่อื่นไกลเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้พูดมาทั้งหมด ลงมาจุดนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันต้องตัดปล่อยวางข้างนอกเห็รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งภายนอกจนเกิดความไม่อยากจะเห็นว่าเป็นโทษจริงๆเห็นว่า้าหาความสงบสุขไม่ได้จริงๆจะไปสุขสนุสนานเพลิดเพลินได้ยังไงไปอาศัยตาอีกสักหน่อยกับตากับฝ้าฝ้าไปอาศัยหูหูกับหูหนวกไปอาศัยร่างกายส่วนไหนร่างกายจะต้องผุพัง ตายในที่สุดแล้วเราจะไปพึ่งพาอาศัยอะไรอีกนะขนาดร่างกายตัวเองยังพึ่งพาอาศัยไม่ได้ส่วนยศถาบรรดาศักดิ์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเงินคําทรัพย์สมบัติสิ่งภายนอกนั้นอย่าไปหวังเลยที่เราจะไปพึ่งพาอาศัยเหล่านั้นได้แต่ขนาดร่างกายของเราก็ยังพึ่งไม่ได้จะต้องผุพังแตกสลายกระจายในที่สุดเพราอนั้นให้พิจารณาดูให้ดีเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละ ความสุขจะเกิดอยู่ที่ใจรู้เท่ารู้ทันเมื่อรู้แล้วก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอะไหนี่แหละอันนี้ก็คือหลักที่พระพทุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพระสาวกนะวันนี้ผมได้พูดให้เป็นแนวธรรมะภาคปฏิบัติวันนี้จะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งพอสมควรสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงอย่างไงถึงพวกเราจะปฏิบัติไม่ได้อย่างที่ผมได้กล่าวแต่ก็ ให้รู้เอาไว้ต่อไปอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวที่พ่อแม่กูบาลอาจารย์พอรพุทธเจ้าที่ท่านอยากจะให้พทบบริษัทสีของพระองค์ปฏิบัติทึอก้าวเดินตามที่ผมได้กล่าวการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอจบเพียงเท่านี้